เคยมีเศรษฐีคนหนึ่งสนทนากับพระพุทธเจ้าเศรษฐีคนนี้ก็พูดว่าเนี่ยตนให้ทานแต่เฉพาะพระอรหันต์ถวายทานแต่เฉพาะพระที่บิณฑบาตเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดแล้วก็นุ่งผ้ามงสกุลเป็นวัดก็หมายถึงพระที่ท่านเคร่งในทุตดงควัดนะนะ คำว่าวัดนี่หมายถึงว่าทำเป็นประจำพระ เ, เจ้าก็ตัดท้วงว่าตัวท่านเนะ่ยเป็นกามโภคีหรือว่าเป็นผู้บริโภคกามคือเป็นคารวาสนะท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นพระอรหันต์ส่วนพระที่บินธบาีเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดหรือว่า นุ่งหง่อมามัสกุลเป็นวัดเนี่ยคือพระที่เคร่งอ่ะนะเคร่งในทุตดงขวัดเนี่ยที่ทำตัวหน้าตําหนิหน้าติดเตียนก็มีอยู่มากนะสุดท้ายพูเจ้าก็บอกว่าถ้าจะถวายทานก็ถวายกระสงเ์เถิดก็คือถวายสังฆทานสังฆทานเนี่ยหมายถึงทานที่ถวายกระสงที่เป็นหมู่คณะ ไม่ได้จอดจงนะอย่างเศรษฐีคนนี้เนี่ยก็จะถวายทานแบบจอดจงว่าเออถ้ารูปนี้เป็นผ้ารหันจะถวายถ้ารูปนี้อยู่วิหารอยู่วัดนะไม่อยู่ป่าเป็นวัดไม่นุ่งห่มผ้ามังสรงกุลก็ไม่ถวายนะถวายแต่เฉพาะผ้าที่นุ่งห่มผ้ามังทรงกุลผ้ามสงงกุลคือผ้าที่เก็บมาจากศพนะคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วมังสุกุลเพาเปืเป้อ น, น, นฝุน่น อันนี้คำต่ายของพระพุทธเจ้านี่ก็เน้นว่าให้ถวายสังฆทานดีกว่าคือถวายแบบไม่จอดจงไม่เลือกนะนคําท้วงติงของพระพุทธองค์นี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเด๋ยนนี้ก็มีคนจำนวนมากนะที่ไปไปบอกว่าพระองค์นิน้องค์นิ่เป็นอรหรันนะแล้วก็ตอนหลังก็เพราบว่าอา้าวไม่ใช่เป็นพระอรหรัน นะเป็นปุถุชนแล้วก็อาจจะเป็นพระที่เรียกว่ า, าประพฤตินหน้ารังเกียจด้วยซ้าอย่างเช่นในคำนี้ก็มีหลายคนแต่งตั้งให้เป็นอรหรันะคนที่แต่งตั้งนี้ไม่ใช่พระนะส่วนใหญ่ก็เป็นคารวาก็แต่งตั้งอรหันกันมาแบบนี้หลายรูปแล้วนะ ยันตานี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะก็มีคนแต่งตั้งว่าเป็นพระอระหันต์หรื อ, อยังต่ำๆก็พระอนาคามีอันนี้พระเจ้าตาก ว, ว่าเนี่ยท่านเป็นผู้บริโภคกามนะท่านจะรู้ได้งไงว่าใครเป็นพระอระหรันต์นะพวกเราก็ก็ฟังอันนี้ไว้นะเพราะว่าแม้แต่พระอระหันต์ด้วยกันนี่บางทีก็ยังไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นมั่งจนกว่าจะได้สนทนากันอันนี้มีในพุทธการก็มี คหาดอีกท่านหนึ่งนะเป็นเศรษฐีเือนกันชื่อว่าอุคตาคือเลาบดีท่านท่านก็รักษาศีลแล้วก็บำเพ็ญธรรมมามากจนกระทั่งเนี่ยเทวดา น, นับถือเทวดาก็จะมาบอกท่านว่าพระองค์นี้เป็นพรริยเจ้าพระองค์นี้นะมีภิญญาพระองค์นี้ เป็นพระทุศสีนมาบอกทำไมมาบอกเพื่อที่จะได้แนะนำให้ท่านเนี่ยถวายทานกับพระที่มีคนวิเศษอย่างเช่นพระองค์นี้เป็นเมียพิญญาก็ถวายทานนะพระองค์นี้ไม่มีไม่มีพิญญาแถมยังเป็นพระทุศสีนอย่าไปให้นะคือผู้งานก็แนะนำว่าให้รู้จักเลือกให้นะเทวดาหวังดีนะ แต่ท่านอุคตาเครอบดีบอกว่าท่านไม่สนใจนะท่านก็จะถวายทานโดยไม่เลือกว่าถวายทานแก่แก่ภิกษุโดยไม่รู้ว่าเป็นใครก็คือถวายแกสงนั่นเองอเมื่อถวายทานกัเมื่อถวายสังฆทานเนี่ยในสงนั้นก็อาจจะมีพระทุตสีบางอาจจะมีพระดีก็ก็ได้รับ อันนี้สองแห่งทานนั้นเสมอกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่รู้จักให้ทานกนะ็คือถวายแกสงนะซึ่งเป็นสิ่งที่พระอาจารยสาับสนุนคําว่าถวายแกสง์หรือสังฆทานนี่ชาวผู้เรายังเข้าใจไม่ถูกกันอีกเยอะคือไปเข้าใจว่าถ้าถวายกับพระแล้วเนี่ยเป็นสังฆทานหมด น, นั้นไม่ใช่นะ ถวายทานแก่พระถ้าเจาะจงเราเรียกว่าปาติบุคลิกทานหรือเรียกสั้นสมบุคลิกทานบุคลิกก็คือบุคคลนั่นแหละมันไม่เหมือนสังกัทานสังกทานคือถวายแก่สงฆ์คือพระตั้งแต่ศีรูปขึ้นไปเช่นถวายแก่พระทั้งวัดหรือถวายแก่พระทั้งคณะทั้งกลุ่มแล้วก็ให้ท่านไปจัดการกันเองท่านก็จะเลือกเฟ น, น อ, อพระองค์นี้นะถึงแม้พรรษาน้อยแต่ว่าปฏิบัติดีจีวร เก่าคำค่าแล้วก็ถวายจีวรไปนะไม่ได้เลือกคุณวิเศษนะว่าองค์ออนี้คุณวิเศษองค์นี้เป็นพระริยะอันชาปุ่นเราจะน้อยน้อยเนี่ยก็อยากจะเวลาถวายทางก็อยากจะถวายกับพระที่มีคุณวิเศษนะเช่นพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าก็ไปตามล่าหาว่าที่ไหนมีพระอริยเจ้าก็ไปถวายอันนี้ก็เจตนาดีนะแต่ว่า ก็อย่างที่บอกว่าเป็นผู้บริโภคการเป็นปุถุชนเนี่ยยากที่จะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือแม้จะรู้นะพระพุทธเจ้าก็ไม่สนับสนุนนะพุทธเจ้าบอกว่าก็ถวายทานกับสงฆ์เถอะแม้ว่าสงฆ์นั้นจะเป็นปุถุชนก็ตามแม้แต่คนมาถวายทานกับพระองค์พระองค์ก็แนะนำให้ถวายกับสงฆ์นะอย่างนางประชาบดีเป็นพระแม่นาคของพระพุทธเจ้า มีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากก็ทำจีวรอย่างดีมาถวายพระองค์ก็ปฏิเสธนางก็ยืนอย่างถึง3ครั้งพระองค์ก็ปฏิเสธถึงสามครั้งแล้วก็แนะนำว่าให้ถวายกับสงเถิดเมื่อถวายกับสงก็เท่ากับถวายกับพระองค์อันนี้ก็เป็นสะท้อนถึงเรียกว่าอะไรส pirit แบบพุทธนะคือว่าในนเรื่องหมู่คณะมากกว่าตัวบุคคลอันนี้เป็นลักษณะเด่นเป็นหัวใจ หลักการหนึ่งของสงฆ์หรือชาวพุทธคือเน้นเรื่องหมู่คณะให้ความสําคัญกับหมู่คณะมากกว่าตัวบุคคลพรนะพุทธศาสนาอยู่ได้นี่ไม่ใช่เพราะตัวบุคคลที่อยู่ได้มาถึง2อ0 0ปีนี่ก็เพราะว่ามีหมู่คณะช่วยกันสืบทอดาศาสนาหมู่คณะคือบริษัทนะก็คือตั้งแต่ภิกษุบริษัทภิกษุนีบริษัทนะอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัท พระเจาท่านเห็นความสําคัญของหมู่คณะนะก็จึงให้นิยมให้แนะนําให้ถวายสังฆทานนะเพราะว่าถ้าเราเป็นเน้นถวายตัวบุคคลมากเกินไปเช่นถวายคนพระที่มีคุณวิเศษพระทีเ่เป็นเมียพินยาหรือเป็นภริยาเจ้าถ้ามีค่านิวแบบนี้นะพระที่ไม่มีคุณวิเศษอะไรหรือไม่แสดงคุณวิเศษ หรือพระที่เป็นปุถุชนที่เพิ่งศึกษาเป็นพระนวากะก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วทําไมได้รับการสนับสนุนแล้วนะจะมีกําลังในการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรนะพระที่เป็นภ ร, ริยาเจ้านะในตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันตอนที่บวชใหม่ๆท่านก็เป็นพระปุถุชนนะบางทีอาจารย์รักก็ไม่งดงามแต่ว่า ได้รับการสรัมผัสจากญาติโยมก็ทำให้มีกำลังในการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งฝึกฝกพนพัฒนาตนจนบรรลุธรรมขั้นสูงไดนะ้เพราะนั้นเวลาเราทำบุญกับพระนี่ก็อย่าเลือกนะว่าโอยองคนี้มีคนวิเศษมากต้องถวายเยอะๆนะให้ทำตามที่วิจารย์แนะนำคือถวายกับสงฆ์นะถวายกับหมู่คณะนะอันนี้ก็จะเป็นการอุปถัมภ์พุทธศาสนาที่ได้ผลยั่งยืนกว่านะ แล้วก็เตรียมรับพร